ก็ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะไอตอนที่ฝนควรจะตกมันไม่ตกไอตอนที่เก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยโอ้ยตกดีนักเลยน้ำท่วมเลยนั้นฝนเนี่ยสำคัญมาก น, น, นเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเลยแล้วก็ถ้าคนมีศัตรูเยอะๆเนี่ยวิธีสร้างสันติภาพเนี่ยนี่ยากกระเพื่อน ทะเลาะบบาแวงกันประเทศเแกเรกว่าสถานที่ที่คนมันขาดความสมัครสมาสามัคคีทะเลากะลากันชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดนะวิธีที่จะทําให้มันสงบระงับเนี่ยยากเกี่ยวกับต้นไม้นะถอนรากถอนโคนเนี่ยยากที่สุดถ้าต้นไม้มีพิษนะถ้าถ้าใครมีไร่แล้วก็เป็นคนดูแลสวนนะถ้าเห็นไอ้ต้นนึ่งต้นมีน้ําเรียงต้นอะไจะม่นิดไมยาไมราบยักษ์อ่ะที่เป็นต้นเลยนะถ้ามีเต็มสวนนี่จะทํำยังไงอ่ะ ถ้าจะต้องจัดการเองเลยเนะยแล้วตายยากที่สุดนะสมมุติถ้าเราขยันมากเลยทอนแล้วก็เผาทั้งหมดนะฝนตกลงมาขึ้นเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลย น, น, นะนะพวกกลุ่มต้นไม้กลุ่มชนิดนี้นะโอ้ยขึ้นดีจริงๆรเลยถ้าถ้ามันเป็นอาหารหรือมันเป็นยานะโอ้รวยแนยะประเทศชาติแต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างเสียหายมากมันต้นไม้ประเภทนี้นะทําลายยากกว่าเพื่อนประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยมีไหม ต้นชนิดไม่มีไหมไม่มีนะแต่ตอนนี้ทำไมมันมีมากเหลือเกินมีทุกแห่งเลยนะ น, นักกา ร, กรเกษตรเาเาคิดว่าเมืองไทยตลงมันเรื่อยๆก็เลยไปเที่ยวแอเมริก า, า้เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันยึดยึดตลงทำรากดีแลเแลเพื่อจะให้ยึดตลงแล้วก็กระจายไปตอนนี้นี่กลายเป็นว่าได้งานเพิ่ม งานหูเห็นชาวนาแล้วนะีแล้วก็สมมุติถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องใส่รองเท้าก็ลุยนานได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ถอดรองเท้าไม่ได้เลยอะ่ะน้ํามันมีน้ําด้วยทํำลายก็ยากยากเห็นไะถ้าน้ํามันมีทุกขนทุกแห่งไปหมดเลยนะอย่างเนี้ยเวลานั่งรถมาเนี่ยจะเห็นนะโอ้โหใครได้สวนอันนี้ไปนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีบุญมีรถแท็กเตอร์รถไถเป็นต้นนะหน้ํามืดเนยแหละแล้วก็ไม่ใช่ว่าเผาแล้วจะมันจะตาย เผาแล้วตายแต่ว่าฮะอีกพักหนึ่งนะไอ้ตรงที่เผานะ่ยจะขึ้นดีที่สุดอีก น, น, นะนั่นไอ้พวกต้นไม้มีพิษเนะยโอ้ทําลายยากมากถ้าเกี่ยวกับพวกวัชพืชเหล่านี้นะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องภัยทั้งหลายสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะถ้าเป็นคนกลัวผีหน่อยเนี่ยจะเข้าใจดีเลยโอ้โหถ้าอยู่ในที่ที่มันมืดมืดเงียบเงีย บ, บหน่อยเนะี่ยเมื่อไหร่มันจะสว่างสักทีเนาะ เคยอยู่ป่าชาอยู่ที่หนึ่งนกักมันหน่า ก, กลัวหรือเรากลัวเองก็ไม่ทราบหุ้ยตื่นมาเนี่ยนะพยายามจะให้มันหลับอีกไม่หลับสักทีกันนะเย็นก็เย็นว๊บขึ้นมาเลยก็ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันหน้ากลัวจริ ง, รงๆน่าจะรู้ว่าหืมทุกเรียว่าทํำยังไงนะจะจะหายกลัวเนี่ยจะหายหน้ากลัวนหมผูการไเคยกลัวไหมตอนลาดตะเวนตอนอะไรก็ไม่เคยกลัวเลยนะ อ๋อไม่ได้ไปก็เรียน่ไม่เคยพบอะไรที่มันน่ากลัวเลยนะอ๋อหลงทำตอนนั้นน่ากลัวมากนะเล่าให้ฟังเขาเป็นยังไงบ้างหลงแต่ตอนนั้นยังนมนมอยู่คะก็อยู่ราชบุรีก็ไปเที่ยวเที่ยวเขาบินนะเขาบินตึงเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวเขานะฮะเป็นถ้ำลึกมากเลย ทำไมยก่อนนี้มันไม่ได้พัฒนาแบบนั้นมีช่องทางลงอยู่นิดเดียวอ่ะช่องนิดเดียวครับพอลงไปได้ผมก็พาญาติไปด้วยเมื่อผู้หญิงหลายคนอะพี่ๆน้องๆก็ลงไปก็เอาชาวบ้านไปคนหนึ่งถือตะเกียงจะาพายุเ ข, าเข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วก็หาทางออกไม่ได้ครับมองอยังไงก็ไม่เจอทางออกครับ ก็เดินก็แฉะด้วยนะครับมันก็มีแฉะก็เดินบน้นอยู่นั่นเดินจนเหนื่อยนะผมคิดว่าเฮ้เราตายแน่เลยนะส่ว <c oughs> นผู้หญิงอนะกระจององอแงแล้วนะฮะแล้วไอ้ตะเกียงนั้นมันจะพยุไมันจะหมดนี่ครับแล้วก็มาอยู่กลางป่าครับกลางถ้าแล้วตอนหลังนะถ้าเดินเนะี่ยนะฮะต้องเดินค่อยๆล่อไปตามริมถ้ำฮะมันไม่สว่างนะฮะไอ้นหน้าจะหมด ดีนะไม่มีงูงกันนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะตายนะที่นี่ผมนึกในใจนะถ้าไฟดับนะไม่ต้องเดินเลยครับก็ต้องอยู่กับที่เลยไม่รู้จะไปไหนนะลื่นก็นลื่นแล้วก็มันก็ร้อนด้วยแล้วก็มันนี่มันอบด้วยนะต่างผู้หญิงเขาก็ร้องไห้กันแล้วเนะ้ <laughs> นะอคนนำทางเขาบอกมันมันก็ไม่ยอมรับว่ามันหลงทางฮนะ มันก็พาเดินเรื่อยเลยเดินจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกนะฮะโอ้ยแับแย่เลยฮะแล้วครั้งสุดท้ายเราไปเห็นอะไรที่มันลา ง, ลา ง, ลางนๆนิดๆนะฮะถึงได้อ๋อไอ้ตรงนั้นนะฮะ <c oughs> โอ้ยหลายชั่วโมงครับ <c oughs> เข็ดเลยอ่ะเข็ดเลยเห็นโทษของการเที่ยวไปเยอะเลยนะถ้าเขาบินเดี๋ยวนี้เราไปดูดีครับเดี๋ยวนี้ก็ทําด้สวย <c oughs> เขาบินนะ อยู่ทางจอมทออ่าทางถ้าจอมพลทางนู้นนะฮะข้าไปทางถ้าจอมพลทางนู้นนะโอ้ยอยวนี้โอ้โหมีไฟเฟยเดินเข้าไปลึกมากเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดน้ำมันหมดนะต้องตายแน่เลยใครจอดจะเข้าไปตามเข้าไปตามเจอเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้พวกถ้ำลึกๆนะปัญหาอย่างหนึ่งคืออากาศหายใจด้วยอากาศหายใจบางทีก็ไม่ค่อยพอ เกือบฟฝ้าทาแล้วนะเขาบินเขาบินอันถ้าใครมีภัยนะถ้าภัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้วิธีแก้ภัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ยากที่สุดเนี่ยนะแก่ยากมากๆเลยแหละถ้ายิ่งใครที่ประสบอุบัติเหตุอยู่กลางป่ากลางเขาเป็นต้นเนี่ยนะคผมนึกประวัติระแวงว่ามันเป็นเป็นมหาภัยอย่างอยิง่งเลยนะหรือถ้าเป็นพวก ถ้าอยู่เกาะเนี่ยนะถ้าเขาปล่อยเกาะที่จะข้ามไปสู่ฝั่งที่มันปลอดภัยเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากนั้นอริยสัจเนี่ยถ้าถ้าเห็นคุณเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบมันอุปมาอย่างนี้บ่อยๆก็จะทําให้จิตเนี่ยน้อมไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจแต่ถ้าเราไม่เคยคิดว่าขันห้าเป็นของหนักขันห้าเป็นโรคขันห้าเหมือนกับที่ที่ขาดแคลนอาหารขันห้าเหมือนคนมีเวรขันห้าเหมือนต้นไม้มีพิษขันห้าคือภัย การทาเหมือนฝั่งนายเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษอย่างนี้ก็ก็ยากเหมือนกันนะที่จะสาวหาต้นเหตุเมื่อไม่สาวหาต้นเหตุที่สุดแห่งทุกก็ก็มีไม่ได้เพราะไม่คิดจะหาวิธีการเนี่ยนะวิธีการที่จะออกจากทุกันที่จริงเนะต้นเหตุนนะฮะพระองค์ก็ตรัสออกมาตรงๆอยู่แล้วนะฮะบอกตรงๆไอ้นี่นะแต่ไม่ค่อยเชื่อครับไม่ค่อยเห็นนะ ว่าเออนั่นเป็นเหตุจริงหรือเปล่าปัญญาเราไม่พ อ, อที่จะจะเห็นคืออย่างอย่างเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะใครจะนึกว่าเพลิดเพลินสีแล้วมีตาเท่าเท่าว่ า, ากล่าวแบบเหตุผลธรรมดาทั่วทไปนะตรงนี้แหละที่เรียกว่าอริยสัจเนี่ยรู้ยากใครจะคิดว่าเพลิดเพลินในเสียงมีทําสร้างหูใครจะเพลิดเพลินในกลิ่นเนี่ยสร้างจมกูกเพลิดเพลินในรสอร่อยอร่อยเนี่ยนะคือการสร้างลิ้นเพลิดเพลินในโพธาภะอากาศดีๆเนี่ยนะ อุณหภูมิเหมาะสมอากาศเยี่ยมเลยนะใครจะนึกว่านั่นแหะคือการสร้างกายหรือวันนู้นคิดเพลิดเพลินกับความคิดนั่นแหละคือการสร้างปฏิสนธิอีกต่อไปนั่นอันนี้นี่ตัณหาอันนี้ก็ยากแม้กระทั่งหยาบลงมากว่านั้นถือว่ากรรมมีผลก็ยังยังเห็นยากสมมติเพลิดเพลินไปวันหนึ่งนะเพลิดเจอทั้งวันเลยนะไปทําทั่วๆไปเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะมี มีโทษอะไรไม่ได้คิดว่ากําลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่อะไรเพรานแม้กระทั่งกรร ม, มสกตายัางยังเห็นยากเพราะ้คําว่าเหตุแห่งทุกข์มันไม่ใช่แค่แค่เฉพาะหน้าทันทีเลยมันบางอย่างมันเป็นเหตุระยะยาวเนี่ยนะเป็นเหตุไกลด้วยซ้ําไปเป็นอุปนิสัยนี่นะครับอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยทาให้เข้าใจผิดด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละที่เรียกว่าปกปิดปกปิดอย่างมากนะ ใครจะรู้ว่าความสุขนี่แหละคือเหตุแห่งความทุกข์ใครจะคิดว่าสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดนี่แหละคือเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่สุดเนี่ยนะก็ไม่ค่อยคิดนะนึกไม่ถึงใช่ไหมก็อย่างที่นางวิสาขานี่นะที่หลานตายอยู่คนหนึ่งนะคือหลานคนนี้ดีเยี่ยมเลยเป็นคนดีมากเลยนะทําทุกอย่างแทนย่าหมดเลยอะ่ะเวลาย่าไม่อยู่ก็เลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเป็นต้นเนี่ยทู้ทําดีเหมือนย่าหมดเลย ยายเนี่ยรักหลานคนนี้มากหลานก็อายุสั้นนะนะยายก็ร้องเอยายก็ร้องให้อะนะร้องให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมนางวิสาขาเนี่ยผ้าเปียกผมเปียกมาเลยมาแต่วันเนี่ยก็บอกว่าหลานข้าพระ อ, องค์ตายพระเจ้าค่าอัะนนัก็บอกว่าก็เล่าว่าหลานเนี่ยเป็นคนดีมากนะนะบอกอยากให้ชาวเมืองสาวัตถีเป็นเหมือนหลานเราหมดไหม อยากพระเจ้าค่าเป็นเหมือนหลานทุกคนเลยนะเข้าหลานาลวันนั้นะแล้วเมืองสาวัตถีตายวันละเท่าไหร่ตายวันเท่าเมืองเชียงใหม่เราตายวันละเท่าไหร่นี่แน่ๆก็เผาทุกวันหรือมั้งเห็นไหมเขบอกว่าแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอน้ําตาของเธอก็จะไม่มีสางหรอกเหมั้นนางก็บอกเข้าใจแล้วพระเจ้าค่าเพระเ า, าพระาว่าไงนะ ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาในรูปแบบของความสุขเพราะฉะนั้นความเศร้าโศกทั้งหลายก็เกิดจากความเพลิดเพลินนั้นบุคคลผู้มีวัตถุเนี่ยนะที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินร้อยหนึ่งเขาก็ทุกร้อยหนึ่งถ้าเขามีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลิน99เก้าขาก็ทุกเก้าก็ลดอย่างนี้มาเรื่อยๆนะถ้ามีความวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลิน10ก็ทุกสิบ ถ้ามีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินสองก็ทุกสองเลยเนั้ยแต่ถ้าบุคคลใดไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเนี่ยเขาจะสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่ที่แน่ๆนะทุกคนก็จะมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอย่างน้อยหนึ่งละใครกับตัวเองอ่ะนะก็ถ้าเพลิดเพลินกับตัวเองอยู่ก็ยังเพลิดเพลินในในทุกข์อีกอยู่ดีอ่ะนะเพราะตัวเองก็ ถึงจะภายในก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ะเนเพราะาอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะเนี่ยการเสื่อมสิ้นสลายไปการแตกทำลายของสัพพสังขารนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าความที่ปุตุชนเนี่ยไม่เคยทำปริญญาไม่เคยพิจารณาเห็นตลอดสายก็เลยเข้าไปสาคัญที่ตรงกันข้ามต่อความจริง เราเราอยากจะคิดเรายอมรับไม่ว่าเราเนี่ยมองคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงเนี่ยเยอะมากนั่นไงเยอะมากทุกขศัตริ์เนี่ยเห็นตามที่พระพุทธเจ้าว่าไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุภะอย่างนั้นไงเราก็คือไม่เถียงอ่ะนะแต่ว่าไม่ไม่เชื่อหรือเชื่อก็เชื่อไม่หมดอ่ะทำไมคือยังไม่เห็นสิ่งนั้นมันอสุภาษะจริงๆจนจะยอมรับอ่ะนะถ้ายิ่ง ยิ่งใครที่เป็นคนที่เปลี่ยนดอกไม้บ่อยๆเนี่ยนะที่มีดอกไม้ใส่ในกระถางแล้วนะหรือดอกไม้ที่มันเคยสวยๆเนี่ยนะถ้าเห็นเฉพาะตอนสวยใครจะยอมรับว่าดอกไม้นั้นมันจะมันจะเสียหายเนี่ยอย่างดอกมะลิหอมๆเนี่ยนะเป็นพวงเนี่ยถ้าลองไม่เก็บสักอาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นยังไงแล้วชื้นนิดหน่อยนะให้ชื้นนะไม่ใช่แห้งอะ่ะถ้าชื้นเลยจะเป็นยังไง ก็ได้ของเน่าอยู่ตรงนั้นดีๆนี่แหละมีอะไรไอตอนที่แรกๆเลยมันเป็นของเน่าไหมล่ะก็น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างมากอะนะเหมือนกับข้าวข้าวของหลายที่อาหารนะที่เราบอกโปรดปรานที่สุดทําสุกใหม่ๆเลยนะถ้าอีกสามวันแล้วมาทานจานนั้นแ่ะนะแต่ว่าไอตอนที่กําลังรับประทานด้วยความ อ, ร, อร่อยเราจะไม่เคยคิดเลยไปอีกว่าสิ่งนี้อีกสามวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะนนั้นเราก็เห็นแค่เฉพาะหน้า ผู้มีผู้มีความรู้แค่เฉพาะหน้าผู้นั้นแหละไม่คิดจะออกจากทุกข์อะไรเนะีนะ่ยะก็คิดว่าสิ่งที่มันเฉพาะหน้ามันหน้าหน้าพอใจมันดีอยู่แล้วเนี่ยนะนะก็สำคัญว่าดีก็คือเป็นประเภทอะไรวิ ป, ปราสดีอยู่แล้วก็ทุะเภทสุขาววิปัสสนเนี่ยนะนะนะซึ่งจริงๆแล้วในที่สุดไม่ได้ดีอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะนะ จริงๆของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรระคายเคืองทางความคิดเลยใช่ไหมราบรื่นไปหมดเลยนี่แหละสมุทยเป็นไปอย่างตลอดสายไม่มีอะไรมาขัดขวางบัางเลยนะฉะ น, นั้นบุคคลเหล่านี้ที่จะคิดจะออกจากทุกเนี่ยน้อยมาก <c oughs> ถ้ากล่าวโดยสุญญตาเนี่ยนะมาดูโดยความว่างเปล่าคำว่าว่างเนี่ยก็แปลว่า ทุกอะมีอยู่ทุก์เนี่ยมีอยู่แต่ว่าตัวทุกนั้น่ะทุกข์สัตว์เนี่ยนะว่างจากความเที่ยงพูดอีกนายหนึ่งนะว่าใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายเนี่ยมีไหมไม่มีนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เที่ยงละอคําว่าไม่เที่ยงก็คือตายเป็นอย่างเทวดาเนี่ยเขามีชื่ออมมอมนอมมอมเนี่ยอมมอมเนี่ยเป็นชื่อของเทวดาใช่เทวดาตายไหมตายหรือไม่ตาย ตายเทวดายัางตายขนาดชื่อว่าไม่ตายนะที่ชื่อว่าไม่ตายเนี่ยเพราะว่าพวกมนุษย์เป็นต้นมันตายตั้งหลายรอบแล้วเทวดาเพิ่งตายทีห น, นึ่งเลยนะแต่ว่าในที่สุดเทวดาก็ยังยังตายเลยนะอันว่างจากความเที่ยงพะั้นพบถึงจะแม้จะมีประมาณน้อยเนี่ยนะพบใดก็ตามที่เที่ยงไม่มีก็ไอแค่ไม่เที่ยงธรรมดาไม่สะเทือนใจเท่ากับไม่เที่ยงคือ มรณะใช่ไหมความตายนี่ถือว่าเป็นไม่เที่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแหละท่านถ้าใครเห็นความตายบ่อยๆคนเหล่านั้นก็จะตัดฉันทราคาในในทุกได้ม็มีอยู่ในในชาดกเรื่องหนึ่งนะนีที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะออกบท เสร็จแล้วพระราชาผู้เป็นพ่อนี่ก็บอกว่าลูกให้มีครอบครัวก่อนอย่างนั้นมีล้านก่อนมีอะไรลูกมันเจริญเติบโตแล้วค่อยบวชก็ได้นตอนอนั้นนะก็บอกว่าข้าพระเจ้าไม่มีรอกอย่างนั้นไม่เอาหรอกทําไมจึงไม่เอาบอกว่าถ้าเขาไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขามันก็มีอยู่สองอย่างเลยนะในที่สุดมันก็นําไปสู่การพัดพากจนได้นะคือไม่อีกฝ่ายตายก่อนก็อีกฝ่ายก็ต้อง ตายก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าต้องไปจากกันเลยบวชก่อนดีกว่างั้นก็อยู่นะคู่ใครก็ดูว่าใครจะไปกันก่อนนะแต่ว่าอยู่ด้วยกยนันจนยาวก็ไม่มีคู่ไหนยาวบ้างนะถ้ากลุ่มที่อายุเกินเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยนะส่วนมากจะอยู่เดี่ยวกัน <ST spreadsheet> น, ะนะไม่ค่อยไร้คู่ไปตั้งแต่อายุเท่า <S <S ไหร่ดิ คู่ที่อยู่จนถึงอายุเจ็ดสิบขึ้นไปนะหายากนะโดยทั่วๆไปไม่ค่อยมีถึงไงไหมแล้วสังขารทุกสังขารเนี่ยนะว่างจากความสุขที่แท้จริง ขันท่าคือสุขเวทนาเนี่ยมีอยู่ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเวทนาในร่างกายของเรานะ่สุขกับทุกข์อันไหนมากกันทุกข์มากหรือสุขมา ก, ก น, นะก็แล้วแต่ใครอ่ะนะอย่างพระพากลเกิดมาไม่เคยกินแม้กระทั่งสมอชิ้นเดียวเนี่ยนะที่เป็นยานี่ไม่เคยสักครั้งเลยนัย่นก็แสดงว่านั่นเป็นผู้มีบุญแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่บุญน้อยนะก็เดี๋ยวก็ปวดโน่นป่วยนี่เจ็บนั่นนู้ย หนักๆไม่เป็นอะไรมันก็คันอ่ะฝนจะตกก็คันทุกขกายาวิญญาณเนี่ยแหมมเอาเรื่องอ่ะนะผู้การก็เป็นแน่นๆที่แลแพ้อะไรก็ไม่รู้เหม็ดเหม็ดขึ้นใช่ไะมอันทากเกินแม้กระทั่งเวทนาเนี่ยนะที่จะได้สุขเวทนาก็ไม่ใช่ ของง่ายนะกว่าจะบริหารขันห้าให้มันได้เกิดสุขเวทนานี่ก็นับว่ายากมากเพระนั้นขันห้าเนี่ยว่ า, าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เั้นตัวขันห้าเมื่อมันไม่เที่ยงอันนั่นแหละจึงเป็นทุกข์ทุกข์กเพราะมันไม่เที่ยงนะนะแล้วก็ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตาก็เนื่องจากว่าไม่มีใครมีอํานาจในขันห้าอย่างแท้จริงบอกขออย่าเกิดเลย ขอตัวเองอย่าเกิดในอบายเลยทำได้ไหมขอว่าชาติหน้าชั้นอยากเกิดอีกเลยมีอำนาจจริงๆริงไขอได้ไหมไม่มีอำนาจอย่างนั้นจริงเออที่เกิดมาแล้วก็ขออยากแก่นะขอไม่มีอำนาจออกไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยนะแกๆอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บไม่ป่วยมันดีแล้วขอได้ไหมขอก็ไม่ได้ขอคุณชายขอได้ไหมขอไม่ได้เลยนะ คุณวิชัยเล่าว่าไปให้หมอตรวจหมอบอกให้รางวัลสุขภาพเลยใช่ไหมสุขภาพดีเด่นมากให้โล่ยอดเยี่ยมผู้สุขภาพดีกี่วันได้กี่วันถือโล่ได้กี่วันถือโล่มาตั้งห้าเดือนแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเลยนะถืออ๋อะนะได้โล่ถือไว้ตั้งห้าเดือนในฐานะผู้สุขภาพดีเยี่ยม 5าเดือนผ่านไปก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วนะะก็อันที่จริงเราน่าจะคิดนะว่าถ้าสุขภาพดีเมื่อไหรนั่นแหะแปลว่าเริ่มจะวิบัติอีกแล้วใช่ไหมคือถ้ามันป่วยนะไม่นานมันอาจจะหายบ้างใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ป่วยนะแสดงว่ามันรอความป่วยอย่างเดียวหลายๆคนเนี่ยที่รู้จักนะเขาบอกเขาเกิดมาเขาแทบไม่ค่อยป่วยไอ้เจ้านี้พอป่วยทีหนึ่งหนักกว่าพวกหมดเลย ดี ด, ดีไม่ดีเป็นมากกว่าเพื่อนด้วยซ้าไปนะคนอื่นที่เรียกว่า ก, กระสอบกระแสนะมันเป็นไม่ค่อยมากละแต่เจ้าที่เรียกว่าไม่เคยเป็นอะไรนะั่นแหะโอ้ยเป็นมากกว่าเพื่อนด้วยมันอันนี้ก็ไม่มีใครมีอํานาจที่แท้จริงในในขันห้าเนี่ยเนียก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นอํานาจนะไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นข้อต่อรองว่าเช่นว่าไอ้ที่เกิดมาแล้วก็อย่าตายไอ้ที่ตายแล้วก็ขอจงเฟื้นะอนนะให้เฟื้อนนะ พระเจ้าเปรเซนที่โกศลเขาบอกเขารักปู่รักย่าเขามากก็าบอกเขาจะหมดเท่าไหร่ก็ช่างเถอะขอให้ปู่ย่าเขามีชีวิตอยู่ต่อไปมันจะเป็นไปได้ที่ไหนเนี่ยนะแผ่นดินโกศลเนี่ยจะมาแลกเครื่องแผ่นดินมันก็แลกไม่ได้นั่นตายไปแล้วจะไปทำอะไรได้มัน <c oughs> ก็ไม่มีใครมีอํานาจในขันห้าอย่างแท้จริงแล้วก็ขันหนะ้านะท่าไอ้ที่ยังงามอยู่ก็เพราะว่ามองข้างอีกข้างหนึ่งแต่ถ้ามองจากอีกข้างหนึ่งจะเป็นยังไง นี่ยนะก็ถ้ามองอีกข้างหนึ่งฟันสวยๆถ้ามองจากรากฟันอ่ะ <c oughs> เอาไม่ไหวเลยนะผิวหนังถ้ามองกลับข้างล่ะ <c oughs> ก็เอชักยุ่งเลยนะถ้าทุกอย่างกลับข้างหมดเลยนะั่นเดือดร้อนเลยนะ <c oughs> โอ้ถือไม้เท้าไว้อันเออถือไม้ไว้อันหนึ่งนะไว้ไล่หมาอางนั้นจะมาเถืงเอาอ่ะนะลำไส้เนี่ยนะถ้ามันก็บอกว่าลำไส้นะหมอเขาว่า ไม่รู้มันจะไปยัดเยียดอยู่กันได้ยังไงไม่รู้นะมันยาวขนาดนั้นมันอยู่ในท้องได้อะไม่รู้มันยัดกันได้ยังไงก็ปรมาณั้นยาวมากนะลำไส้อะนีะมันอยู่ได้ยังไงจำเม็นนีดมันม้วนมวนมันม้วนเวลายัดเข้าไปคืนเนี่ยนั่นยากก็ถ้าลำไส้นะเขาบอกว่าแค่เอาออกมานะลำไส้ถ้ายิ่งถลอกลำไส้เขาอีกนะโอ้เป็นหนักมากเลยเปลี่ยนแรงมาก มันตัวขันห้าปกติก็ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากความงามที่แท้จริงเนะีนะ่ยจะมีความงามอยู่ต่อเมื่อเมื่อไหร่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเมื่อเมาเนี่ยนะเนะมาด้วยอำนาจราคาเป็นต้นเนี่ยนะนะพอราคาย้อมเท่านั้นแหละจึงเห็นว่าขันห้ามันดีถ้าสั่งจากราคาเมื่อไหร่นะมันเริ่มไม่ดีแล้วเนะีนะ่ย ส่วนสมุทัยาศาสตร์นี่ยว่างจากอะไรบ้างว่างจากความเที่ยงตัวตันหานะเคยเห็นตันหาที่ไหนมันเที่ยงเคยชอบอะไรที่ชอบยั่งยืนนี่รันการเลยนะมีไหมไม่มีอ่ะนะเพราะนั้นก็บอกว่าเ ธ, เธอเคยเห็นหรือภิกษุทั้งหลายว่าตันหาเนี่ยเป็นของเที่ยงก็บอกไม่เคยเห็นพระเจ้าข่าวพราะงั้นแม้เราก็เหมือนกันนะนะ ผมก็บอกว่าพองก็เหมือนกันพองก็บอกไม่เคยเห็นตันหามันเที่ยงหรอกเพราะฉะนั้นตัวตันหาจริงๆก็ไม่เที่ยงอนะความชอบใจทั้งหลายแหละก็ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปใครเคยชอบอะไรแล้วชอบอยู่ตลอดกาลนี่รันดอลเลยนะมีไหมไม่มีอ น, นะเพราะฉะนั้นตันหาจริงๆก็ว่างจากความเที่ยงตัวตันหาเนี่ยว่างจากความสุขนะเนะคือตันหา ถึงเกิดร่วมกับโสมนัตเวทนาก็จริงแต่ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงเอาไว้ถ้าตันหากรุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะตันหามันเกิดยาวสักเจ็ดวันตันหาชนิดเดียวกันเนี่ยนะถ้าเกิดเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงเฉาตายแน่คนนั้นนะเพราะอะไรเพราะอาหีริกา อ, อนันโนตตปะอุทจจะบาปอากุศลสารพัดอย่างเนะี่ยเกิดร่วมกับตัหาตัวนั้น ถ้าถ้าคนถ้าตันหาในเรื่องเดียวมันเกิดยาวนะคนนั้นกินไม่ได้หรอกอาหารนี่ก็เริ่มรับไม่ได้แล้วนะหรือถ้าอย่างอย่างที่เรียกว่าชชอบไปชอบอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ยนะคนนั้นแม้กระทั่งข้าวน้ําก็เริ่มเริ่มลดนะนั่นนะถ้าขอให้ชอบได้ยาวจริงๆอ่ะนะไม่ต้องมาเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวพันเลยนะให้ตันหาตัวนั้นแหละเกิดยาวตลอดไปเนี่ยนะถ้าชอบรถอย่างเดียวเลยนะโอ๊ยต้องเอาคันนั้นมาให้ได้เนี่ยนะ ถ้ายิ่งรถในความฝันด้วยแล้วนะเอาคันนั้นให้ได้นี่แหละถามอะไรจะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนแน่พวกนี้ <c oughs> ดูได้จากพวกที่พวกนักวิจัยหรือพวกนักค้นคว้านี่นะที่เขากำลังจะเข้าได้เข้าเข็นเนี่ย <c oughs> เขาจะมีมากเลยจนลืมกินลืมนอนเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนานๆ น, น, นี่แย่เลยนะ วิจัยไม่เลิกสักปีเลยนะยืดไปเรื่อยๆย น, ะนะก็ตันหานี่ก็ว่างจากความสุขที่แท้จริงแล้วก็ว่างจากอัตตานะนะตัวตันหาเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครใช่เพราะตันหาก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยเนี่ยปรุงแต่งขึ้นตัวตันหาจริงๆก็ว่างจากความงามเนะนะตัวตัหาเพราะฉะนั้นสมุทัยศัตร์นี่ว่างจากความงาม แล้วก็นิโรศสัตว์นี่ก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยนะนิโรศจนั้นจึงว่างจากอัตตาส่วนมรรคสัตว์ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมรรคสัตว์ก็นับว่าเป็นเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะไม่เที่ยงแต่ก็เป็นสุขที่ที่พระองค์บอกว่าไม่มีโทษเนี่ยนะมรรคสัตว์ก็ว่างจากอัตตาเนื่องจากว่าไม่มีใครมีอานาจใน ในมัจอย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้ถ้ากล่าวแบบว่างจากสัจจะอย่างอื่นเลยเช่นทุกขสัจก็ว่างจากนิโรสัจจะเนี่ยนะสมุทัยสัจก็ว่างจากทุกขสัจถามว่าทำไมสมุทัยจึงว่างจากทุกเพราะสมุทัยในฐานะเป็นเหตุใช่ัหยทุกนี้เป็นผลเพราะฉะนั้นผลจะว่างจากเหตุอันเหตุก็ว่างจากผล เพันสมุทัยจึงว่างจากทุกขสัตว์เพราะสมุทัยในฐานะเป็นเหตุนิโรสัจจะก็ว่างจากสมุทัยก็ว่างจากนิโรธเพราะว่านิโรธเป็นอสังขตธรรมส่วนนิโรสัจจะก็ว่างจากทุกขสัตว์ว่างจากสมุทัยและว่างจากมัสมัคสัตว์ก็ว่างจากนิโรธถึงมัชจะมีนิพานเป็นอารมณ์ก็จริงแต่มัชไม่ใช่นิโรธ น, น, นะนะมัก ษ, ษัตริย์ไม่ใช่นิโรธเพราะฉะนั้นในมัคจึงไม่มีนิพพานในนิพพานก็ไม่มีมัค น, น, นะแต่ว่ามัคมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างการเห็นเนี่ยการเห็นกับสีอย่างงี้นะสีกับการเห็นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไหมว่างจากกันใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราเห็นเสาเนี่ยไอาการเห็นเสากับการเห็นเนี่ยอันเดียวกันไหม เพราะฉะนั้นตัวเสาก็ว่างจากการเห็นการเห็นก็ว่างจากเสาก็คือไม่มีเสาในที่เห็นไม่มีการเห็นอยู่คือตัวเสาอันนะัก็จากครูวิญญาณกับสีคนละอย่างกันใช่ไหมมันว่างจากกันแบบนั้นนั่นน่ะนิพพานในฐานะเป็นอารมณ์ของมัคแต่มัค ก, ก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานก็ไม่ใช่มัคนันะมัน น, ะนี่เรียกว่าโดยสุญญตาโดยความว่าง ว่างจากกันและกันเป็นต้นนะก็ว่างจากวิปลาสอย่างหนึ่งกับว่างจากสัจจะด้วยกันอย่างหนึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็นสองอย่างวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะ